พวกเราเคยได้ยินชื่อพระมาลัยั้ยพระมาลัยถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่หรือชาวบ้านก็อาจจะคุ้นเคยอยู่บ้างพระมาลัยก็เป็นเป็นพระอรหันตนะ์ที่คนไทยสมัยก่อนนับถือมาก ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะรวมไปถึงพมา่าลาวเขมรเมื่อสักหลายร้อยปีก่อนจนกระทั่งร้อยปีที่แล้วนี่คนไทยเราจะคุ้นเคยกับพระมาลายมากเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดกันมาแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทิพลต่อ ความเชื่อของชาวพุทธปัจจุบันเช่นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายหรือความเชื่อเรื่องพระศรีอาอันนี้ก็มาจากเรื่องราวของพระมาลัยพระมาลัยนี่ท่านไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็เชื่อว่ามีจริงเป็นพระระหันต์ที่เคยไป ทองนรกนะแล้วก็ไปสักการะพระธาตุบนสวรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับนรกที่คนไทยเข้าใจนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของพระมาลัยพระมาลัยท้องนรกแล้วก็ไปพบสัตว์นรกจำนวนมาก อย่างเช่นโพที่ขึ้นต้นนิ้วเพราะว่าผิดศีลข้อกาเม่ขึ้นต้นนิ้วเนี่ยเพราะผิดศีลข้อสามนี่ก็ก็คงจะมาจากความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพระมารายไปนรกแล้วก็ได้พบกับสัตว์นรกมากมายที่อยากจะ ที่ฝากข่าวมาบอกพการะมลัยฝากข่าวผ่านพาระมลัยว่าให้ลูกหลานผู้ที่ยังอยู่นี่ช่วยอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะว่าท้าได้อุทิศส่วนกุศลแล้วเนี่ยก็จะหายทุกข์หายเดือดร้อนพาระมลัยก็ก็เลยมาบอกชาวโลกว่าให้มาอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย เมื่ออุทิศแล้วนะก็จะได้ไปสเสวยสุขในสวรรค์อันนี้ก็เป็นความเชื่อของอคนไทยที่ยังสืบมาจนทุกวันนี้นะก็มีการกรวดน้ำทุกครั้งที่ทำบุญเราก็คงไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร <c oughs> แต่ก็ช่วงเชื่อมาจากเรื่องพระม่าลัย พระมาลัยก็ไปขึ้นไปสวรรค์ไปสักกะละพระเกศแก้วจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเกศแก้วนี่ก็คือพระเกศสาของพระพุทธเจ้านะตอนที่ทรงเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดนะก็ตักพระเกศสาพระเกศสาเนี่ก็กลายเป็นพระธาตุ แล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นประเพณีของชาวอีสานเหมือนกันนะเวลาคนจะตายก็ให้พนมมือแล้วก็ถือดอกไม้ทูบเทียนเพราะเชื่อว่าตายแล้วก็จะได้ไปกราบบูชาพระเกจ้กกาจุลามณีความเชื่อแบบนี้ก็เลือนลางไปเยอะนะ แต่เรื่องอิธิพลอยู่แถวนี้นี่บ้านแถวบ้านทรัพสมบูรณ์ก็มีเจดีชื่อนี้เหมือนกันพระเกตแก้วอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนอีสานที่ก็ยังพอมีเขาอยู่บ้างก็เป็นอิทธิพลของพระมาลัย พระบาลายได้ไปพบกับเทวดาแล้วก็ถามเทวดาว่าได้ทำความดีอะไรมาบ้างก็มีเทวดารูปหนึ่งก็บอกว่าได้เคยให้ทานรักษาศีลวันธรรมดาก็ศีลห้าวันอุโบสถก็ศีลแปดก็เลยเป็นเหตุให้ได้มาอยู่บนสวรรค์มีบริวารห้าหมื่น 50, นะพ่อแม่ออกที่รักษาศีลห้าศีลแปดเป็นประจำนี่ก็สบายใจนะตายไปก็จะมีบริวารทั้งห้าหมื่นะหรือว่าใครที่ประกอบสัมมาอาชีวะแล้วก็ให้ทานแก่ผู้ทรงศีลเป็นประจำตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์มีบริวารสี่หมื่น 40, อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะที่คนไทยแล้วก็เชื่อกันรวมทั้งเชื่อเรื่องว่าถ้าได้ฟังไปได้พระพระมาลายก็ได้ไปสวัส์แล้วได้ไปพบกับเทวดาซึ่งต่อไปจะได้เป็นพระศีอริยะเมตไตรมาตรสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ในอีก 2,500 ปีท่านก็บอกว่าใครที่ได้ก็ฝากบอกว่าใครที่ได้ฟังชาดกเรื่องพระเวสสันดรคนะาถาครบ 5,000 คบ 5, าถาก็ <c oughs> <c oughs> จะได้มีโอกาสไปเกิดในยุคพษะีอาน เป็นยุคที่ไม่ต้องทํามาหากินกนะ็มีกินมีใช้ผู้คนอยู่กันอย่างสันติสุขในะสมัยคนไทยสมัยก่อนนี้ก็มีความเชื่อเรื่องพระศรีอ่านมากอย่าไปเกินในยุคพระศรีอ่านเพราะว่าสบายแต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะพระศรีอ่าน อันนี้ก็เป็นความเชื่อมาจากเรื่องราวของพระมาลาัยไม่น่าเชื่อว่าสมัยก่อนนี่คนไทยเรานับถือมากการสวดเกี่ยวเรื่องพระมาลายนี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญแต่งงานก็ให้มีคนมาสวดเรื่องพระมาลัยในวันที่เข้าเรือนหอ งานศพก็เหมือนกันให้มีการสวดพระมาลายเรียนหนังสือก็เรียนจากตำราเกี่ยวกับพมะมาลายพมาลายคำกร น, นี่ก็เป็นตำราเรียนหนังสือให้คนอ่านออกเขียนได้นันสมัยก่อนนี่คนก็รู้จักพรมาลายมี มีพระพุทธรูปมีมีรูปเกี่ยวกับพระมาลัยเยอะแยะไปหมดรวมทั้งรูปพระพุทธรูปปางภระีอามด้วยเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นละพระพุทธศาสนาที่เรานับถือในปัจจุบันกับพุทธศาสนาของปู่ย่าตายายสมัยก่อนนี่เหมือนกับเป็นคนศาสนาเลยนะ คนละเรื่องเลยก็ว่าได้สมัยก่อนเรื่องพระสีอานเรื่องพระมาลายนี่ชาวบ้านเขารู้จักดีเรื่องไตรภูมิแต่คนไทยหรือชาวพุดรุ่นนี้ไม่มีเรื่องราเหล่านี้แล้วนั่นที่เรานับถือพุทธศาสนานี่มันก็เป็นคนละศาสนากับที่ชาวบ้านนับถือก็ว่าได้ แต่ว่าสาราก็เหมือนกันนะก็คือเรื่องของการทำความดีนะให้ทารักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาแต่ว่าวิธีการสอนไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนก็ชักชวนให้คนทำความดีโดยเอา นรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่ออันนี้ก็เป็นคำของราชกาลที่สี่นะเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อให้คนกลัวกลัวนรกแล้วก็อยากขึ้นสวรรค์ก็จะได้ทำความดีแต่สมัยนี้ใช้วิธีการนี้ไม่ได้ผลเพราะว่าคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกไม่ค่อยเชื่อเรื่องสวรรค์ที่จริงนรกสวรรค์นี่มันก็มีอยู่ ตลอดเวลานะ <c oughs> <c oughs> แต่อาจจะเป็นสวรรค์นคนละอย่างกับทีเ่เราเข้าใจพระพุทธองคได้จัถึงนรกที่เรียกว่าชาผาัสสายตนิกรนรก เ, เรียกยากเหมือนกันนะชาัสสายตนิกรนรก <c oughs> ก็คือนรก <c oughs> ที่เกิดจากอายตนะทั้งหก ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือนรกที่ที่เกิดขึ้นและทุกคนสัมผัสได้เมื่อตายเห็นรูปหูดินเสียงนะหรือว่าจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสแล้วก็ใจคิดนึกถ้าเจอสิ่งที่ไม่พึงพอใจก็จะเกิด ความร้อนรุ่มขึ้นอันนั้นแหละคือ น, นรกใครที่ถามว่านรกมีจริงไหมก็ให้รู้ว่ามันมีอยู่แล้วนะเราสามารถสัมผัสได้ตลอดเวลาอย่างที่โบราณเขาเรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจส่วนนรกหรือสวรรค์นอกตัวนั้นเนี่ยจะมีจริงหรือไม่นะ อันนี้ก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าถ้าเชื่อว่ามีแล้วกลัวบากนะมันก็ดีเหมือนกันนะการเชื่ออะไรไม่สำคัญถ้ากิว่าเชื่ออย่างไรเชื่อมีนรกนะแต่ว่ากลัวบากนะไม่ทำความชั่ว อ, อันนี้ก็ดีกว่า ดีกว่าเชื่ออย่างเป็นวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วไม่ไมกลัวบาปไม่กลัวบุญเลยไม่กลัวบาปไม่รักบุญเลยบางคนไปคิดว่าโอ้ยถ้าเชื่อแบบวิทยาศาสตร์นี่เป็นการเชื่อที่ถูกต้องมีเหตุมีผลแต่ถ้าเชื่อแล้วเนี่ยไม่กลัวบาปไม่มีศรัทธาในบุญก็สู้เชื่อเรื่องนรกสวรรค์อย่างคนโบราณไม่ได้ เพาถึงแม้อาจจะดูงมงายแต่ว่ามันก็ทำให้เขาทำความดีแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครในเรื่องของพระมาไัยก็มีตอนหนึ่งได้พระมาไัยก็ได้ไปพบพระยายมราษพยายมราษก็พูดถึงเทวทูต บอกว่าถ้าใครตายไปแล้วเนี่ยพยายมก็จะถามว่าได้เคยพบเทวทูตหรือไม่ไมเทวทูตคืออะไรก็คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักโทษใครที่ระลึกได้ ว่าเออเคยเจอคนแก่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ระลึกได้ว่าเป็นเทวทูตก็จะได้ขึ้นสวรรค์ทันทีแต่ถ้าจำไม่ได้นึกไม่ออกว่าเออคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนักโทษนี่เป็นเทวทูตได้หรือถ้าไม่รู้นี่ลงนรกทันทีนะ อันนี้ก็มีเรื่องราวในพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนักในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าเมื่อคนชั่วได้ตายไปแล้วก็จะเจอกับพญายมราชพญายมราชก็จะถามว่าเจ้าเนี่ยเคยเจอเทวาทูตไหม แต่คนช่วยตอบว่าไม่เคยพยายมก็จะบอกว่าเคยเห็นคนเกิดไหมเคยเห็นคนแก่ไหมคนเจ็บไหมคนตายไหมแล้วคนที่เป็นนักโทษไหมถ้าบอกว่าเคยเห็นพยาลมราชก็จะถามต่อไปว่าเมื่อเห็น คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายดูนักโทษแล้วเนี่ยเจ้าเคยนึกไหมว่าจะจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเคยคิดไหมว่าจะต้องทําความดเีเห็นคนเกิดไม่ทรมารย์นะแต่เห็นคนแก่เนี่ยก็เคยตระหนักไหมว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่เพราะฉะนั้นต้องเร่งทําความดี เห็นคนเจ็บนะก็ตระหนักว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บเพราะนั้นต้องเร่งทำความดีเห็นคนตายก็ตระหนักว่าสักวันหนึงเราต้องตายเพเราะนั้นได้ต้องขนวา่ทำความดีดีความชั่วเห็นนักโทษเขาที่ได้รับข้อกความจากการทำชั่วแล้วย้อนมาดูตัวว่าต่อไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเมื่อไม่เห็นก็ไม่ตระหนักก็ สั่งให้ลงนรกทันทีอันนี้ก็เป็นเป็นคำสอนที่น่าคิดนะเราก็คงเคยได้สวดบทนี้เรื่องเทวทูตนะเมื่อสามสี่วันก่อนสวดเรื่องเทวทูตแล้วก็มีตอนนึงก็ถามว่าก็จะมีข้อความว่าได้ เห็นเทวทูตมาเตือนไหมนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละคือเทวทูตจะไปนึกว่าเทวทูตนี้จะมีรูปร่างนะเหมือนกับเทวดามาบอกอะไรเราไม่ใช่เทวทูตเนี่ยมาปรากฏแก่เราอยู่ตลอดเวลาในรูปคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตาย นักโทษอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเห็นจากหนังสือพิมพ์แต่ว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนี่เราคงจะได้เห็นอยู่บ่อยๆรืยว่าคนแก่คนเจ็บที่จริงแล้วเนี่ยมองไปที่กระจกนะก็จะเห็นเทวทูตอยู่เหมือนกัน สังขารร่างกายของเราที่เริ่มแก่แล้วก็เจ็บนั่นแหะอันนั้นแหละคือเทวทูตสังขารที่แก่และเจ็บเนี่ยมันเป็นได้ทั้งขันธมาร น, นะแล้วก็เทวทูตนะมาเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างนะกิเลสมานก็ใช่เทวปุตตมานก็คือมานที่เป็นเทวดาก็ใช่ ขันธมรมา น, นี่ก็ใช่ขันธ์มานั่คือร่างกายนะที่มันแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทุกวันนี้เราอยู่กับมานตลอดเวลาเลยนะคือเราอยู่กับขันธ์มานซึ่งเป็นอุปสรรคไม่ให้เราเนี่ยทำสิ่งที่อยากจะทำโดยเพราะการทำความดีบางคนอยากจะเข้าวัดปฏิบัติธรรม อยากจะมาถือศีลแต่ว่าร่างกายไม่อำนวยนะหรือบางคนมาปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่าปฏิบัติธรรมได้ไม่เต็มที่จะเดินจงกรมก็ไม่สะดวกจะฟังธรรมก็ไม่สะดวกนะแข้งขามันไม่เป็นใจปวดเมื่อยอันนี้ก็เรียกวขันธรร ม, มานเป็นตัวขัดขวางการทำความดีการเข้าถึงธรรมะ แต่ในระเดียวกันไอ้ร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ป่วยเนี่ยมันก็เป็นเทวทูตเหมือนกันนะถ้ามองให้เป็นเนี่ยก็เป็นเทวทูตดย่าไปนึกว่าเทวทูตนั้นอยู่นอกตัวนะเทวทูตก็อยู่กับเราเหมือนกันก็คือเขามาเตือนเขามาสอนเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเขามาเตือนในเรื่องความไม่ประมาณ แคนที่เจ็บนิดเจ็บนิดเจ็บหน่อยเนี่ยหรือเจ็บมากก็ตามถ้ามองให้เป็นก็จะรู้ว่าโอ้นี่เขามาสอนเข้ามาเตือนนะเรื่องความไม่เที่ยงและถ้าคิดต่อไปว่าเอออะไรที่เรายังทําได้ก็ต้องรีบทําตอนนี้นะเพราะว่าต่อไปนี่อาจจะหนักกว่านี้ คนที่มอง่างนี้เนี่ยเรียกเป็นผู้ไม่ประมาตอันนี้ก็เป็นเป็นคําสอนของของพระ เ, เจ้าเหมือนกันนะวเวลาเราประส บ, ระสบหรือมีความสุขเช่นมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์เนี่ยท่านสอนว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าต่อไปอาจจะมีะความลำบาก อาหารอาจจะหายากเพราะฉะนั้นต้องเร่งทำความเปลี่ยนสร้างความดีในเวลาที่เรามีสุขภาพดีก็อย่าประมาทนะเพราะว่าต่อไปอาจจะเจ็บป่วยได้ก็ต้องเร่งทำความดีในเวลาที่อยู่ในหมู่ชนที่ผู้คนสงบเรียบร้อยสามัคคีกันก็อย่าประมาทเพราะต่อไปอาจจะมีโจรภัยแตกแยกผู้คนกระจัดพัดพลาย ลำบากในการปฏิบัติธรรมต้องเร่งทำความดีหรือว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยนะก็อย่าไปประมาทอย่าไปอย่าไปเป็นข้ออ้างว่าโอาฉันเจ็บป่วยนี้ฉันไม่ปฏิบัติดีกว่าเพราะว่าต่อไปอาจจะเจ็บป่วยหนักกว่านี้ยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรได้บ้างก็ทำปฏิบัติธรรมรักษาศีเลเจริญภาวนายังพอทาได้ก็ทำนะ เพราะต่อไปอาจจะไม่ได้ทำหรือเวลาอยู่ในหมู่สง์ซึ่งมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันก็อย่าประมาทเพราะต่อไปหมู่สงก็อาจจะมีความบาดหมางกันได้เพราะนั้นต้องรีบทำตั้งแต่ตอนนี้ท่านพูดถึงเรื่องอนาคต ภ, ภัยหประการซึ่งก็รวมถึงเรื่องของนะการมีสุขภาพดีเรื่องความไม่เจ็บไม่ป่วย หรือว่าเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อ ย, อยงั้นในร่างกายที่มันเต็มไปด้วยความป่วยแล้วก็เข้าหาความเสื่อมตลอดเวลานี่มันไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคที่รว่าเป็นหมานเท่านั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นของดีด้วย <c oughs> เป็นของดีนแนวเาเดียวกันเป็นทั้งขันธมารแล้วก็เป็นทั้งเทวทูตนะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรถ้าเรามองว่ามันเป็นอุปสรรคในะความแก่ความเจ็บความป่วยเนี่ยอันนั้นก็คือมารแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตแล้วก็กระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาทก็จะได้เล่ง ทำความเพียรขนขวายทำความดีอันนี้ก็กลายเป็นของดีไปได้มันอยู่ที่การมองของเราแท้ๆว่าเราจะมองว่าเป็นปัญหาหรือเราจะมองว่าเป็นของดีถ้าเรามองว่าเป็นของดีปัญญาก็เกิดนะปัญหากับปัญญานี่มันอยู่ได้กันนะถ้ามองเป็นปัญหาก็ท้อแท้ท้อถอย แต่ถ้ามองว่ามันเป็นเครื่องเสริมสร้างปัญญานะเราก็จะมีสติตั้งสติได้แล้วก็พิจารณามันอาจารย์พุทธทาสตาบอกว่าป่วยทุกครั้งก็ขอให้ฉลาดทุกครั้งนะป่วยทุกครั้งก็ขอให้ฉลาดทุกครั้งนะไม่ใช่ฉลาดในเรื่องของการรักษาตัวเท่านั้นนะนะคนป่วยเขาก็จะเป็นคนฉลาดในเรื่องนี้ได้เหมือนกัน หมอที่เก่งหลายคนเนี่ยก็เป็นคนที่ป่วยมาก่อนนัก อ, อาจารย์ที่เก่งในเรื่องของวิทยายุทธ์เช่นยูโดบ้างไอคิโดบ้างนะอันนี้ในต่างประเทศเนี่ยพวกนี้ เ, นเคยเป็นคนป่วยร่างกายอ่อนแอเขาก็พยายามฝึกฝนหาวิธีการเยียวยารักษาตนจนกระทั่งค้นพบ าศาสตร์ที่เป็นวิทยายุดนะยูโดไอกิโดนะการเป็นคนที่แข็งแรงมากอันนี้เพราะว่าเขาฉลาดเพราะความเจ็บป่วยแต่นั้นเป็นเรื่องทางโลกนะในเรื่องทางธรรมก็เหมือนกันเมื่อเราเจ็บป่วยก็ควรถือเป็นวัตถุดิบนะที่ทําให้เราเกิดความฉลาดในทางธรรม ก็คือได้เห็นว่าเออสังคาไม่เที่ยงจริงๆนะแล้วถ้าเราเห็นกันาถ้าเราเห็นมาก ๆ, ากๆเห็นชัดๆเนี่ยบรบรลุทําได้เลยนะมีภิกษุณีท่านหนึ่งท่านอายุมากล้วท่านไปไหนเนี่ยก็เดินมีไม้เท้าค้ำกายเดินกระยองกระแยง <c oughs> ก็มีวันหนึ่งก็เดินก็ย่อก็ย่าปรากว่าเดินไปผิดพลาดขึ้นมาก็เลยล้มลงไปตัวกระแทกพื้นปวดมากเลยในขณะที่เกิดเวทนาแรงกล้านเนี่ยท่านมีสติเห็นความปวดนะแล้วก็ได้เกิดปัญญาขึ้นมาเลยว่าโอ้สังขารนี่มันเต็มไปได้วยทุกข์จริงๆนะพอเห็น ว่าสังขารนี่มันเป็นไปได้วยทุกเนี่ยจิตก็ปล่อยวางทันทีเห็นว่าสังขารนี่มันไม่น่ายึดถือเพราะมันเต็มไปได้วยทุกจิตปล่อยวางเกิดปัญญาขึ้นมาหรือผู้อยจาร์เขาบอจิตเกิดปัญญาขึ้นมาก็เลยปล่อยวางไม่ยึดติดในสังขารท่านก็บรรลุธรรมนะเพราะว่าไอ้ความเจ็บปวดที่ไปกระแทกกับพื้นนั่นเอง บางท่านก็บรรลุธรรมในขณะที่ป่วยหนักอย่างพระติศะเนี่ยมีแผลผู้พองเต็มตัวนะน้ำเหนื อ, อน้ำน้ำเหลืองเนี่ยน ะ, อ, ะออกมาจนกระทั่งเพื่อนเพราด้วยกันเนี่ยรังเกียจไม่ไม่ดูแลรักษาท่านก็ปล่อยท่านนอนนะจม เรียกว่าอุจลระปสวะเลยก็ได้เพราะว่าป่วยหนักมากไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ขี้เยี่ยวกันตรงนั้นแหละ <c oughs> พระพุทธองค์เมื่อทรงทราบก็มาเสด็จมาเยี่ยมแล้วก็ดูแลทำความสะอาดเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรไปซักไปต้มเลยแนละ้วก็ไปตากผึ่งเอาไว้แล้วก็ดูแลเช็ดตัวให้สะอาด ท่านก็รู้สึกดีขึ้นแต่ทุกขเวทนาก็ยังบีบคั้นอยู่นะแต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาเยี่ยมก็ดูแลเนื้อตัวจิตใจท่านก็สบายแม้ว่าทุกขเวทนาจะแรงกล้าอาการก็หนักลงไปเรื่อยๆในขณะที่ยังพอรู้ตัวอยู่บ้างพระองค์ก็ ตเป็นคาถาสั้นๆอันนี้คาถานี้ต่อมาเราก็เรียกว่าเป็นบางสกุลเป็นก็แปลได้ความว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะอีกไม่นานก็จะปราะศะจากวิญญาณร่างกายนีก็จะทับถมแผ่นดินเหมือนกับท่อนไม้ที่หาประโยชน์ไม่ได้ที่เริ่มตจิตหลังมติยังกายโยเนี่ย พอตรัสเป็นคาถาสั้นๆไม่กี่ประโยคเนี่ยพระติสะนะซึ่งมีสติเท่อนก็พิจารณาตามแล้วก็ท่านก็เห็นจริงๆเลยว่าโอ้สังขารนี้เป็นทุกข์เหลือเกินเพราะว่าทุกขเวทนาความปวดนี่มันบีบคั้นชัดเจนมากต่อหน้าต่อตาเลยท่านก็เห็นแจ่มแจ้งเลยเกิดปัญญาเลยว่าสังขารนี้ยึดถือไม่ได้ แล้วก็จิตหลุดพ้นจากอุปทานที่อุปทานขันเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ในขณะที่หมดลมนั่นเองนะอันนี้ก็เรียกว่าท่านบรรลุธรรมได้ก็เพราะความเจ็บความปวดนะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความฉลาดขึ้นมาจากความเจ็บความปวด ในแง่นี้เนี่ยความเจความป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เทวทูตนะแต่ว่ายังสามารถที่จะเป็นแรงผลักให้หลุดจากทุกข์ได้เพราะความทุกข์นี่มันก็เป็นแรงผลักให้หลุดจากทุกข์ได้เหมือนกันนะความทุกข์ไม่เพียงแต่ฉุดเราให้จมลงไปในความหลงในความดำมืดแต่ความทุกข์ก็ยังสามารถจะเป็นแรงผลักให้เราเกิดความสว่างสวยทางปัญญาได้ มันก็คงเหมือนกับสวิตไฟนะสวิตไฟที่ใช้ปิดไฟเนี่ยก็สามารถใช้เปิดไฟได้สวิตไฟที่ใช้ปิดเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องโทรทัศน์ก็สามารถก็เป็นสวิตหรือดีอันเดียวกันที่กับใช้เปิดโทรศัพท์เปิดโทรทัศน์ลหลวงพ่อพูดว่าในทุกมันมีความไม่ทุกอยู่เนี่ยก็คืออันนี้แหละ ในทุกมีความไม่ทุกอยู่เหมือนกับกุญแจที่ที่ล็อกประตูเนี่ยมันก็เป็นรูเดียวกับที่ใช้เปิดประตูสิ่งที่ทำให้คนเราทุกก็สามารถทำให้คนเราไม่ทุกไดน้นเช่นความเจ็บความป่วยความตายเนี่ยทำให้คนเราทุกแต่ว่ามันก็สามารถทำให้คนเราหลุดจากทุกได้เหมือนกัน นั้นเราต้องรู้จักใชนะ้วันก่อนก็ได้พูดไปแล้วว่ารู้จัก ใ, ให้ใช้กิเลสให้เป็นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะใช้ทุกข์ให้เป็นถ้าเราชุกใช้ทุกข์ให้เป็นกะ็พ้นทุกข์ได้แต่ถึงแม้ว่ายังทุกข์ไม่ยังยังพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยถ้าเราใช้ทุกข์ให้เป็นเราก็ไม่เป็นทุกข์นะ คนเรานี่ถ้าทุกข์ให้เป็นนี่ไม่เป็นทุกข์นะทุกข์ให้เป็นคือทุกข์อย่างผู้รู้ไม่ใช่ทุกข์อย่างผู้เป็นทุกข์อย่างผู้รู้คือว่าเห็นทุกข์นะแต่ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์อย่างพระติสานี่ท่านเห็นทุกข์เลยนะท่านไม่ใช่ผู้ทุกข์แล้วเห็นทุกข์ล่เกิดปัญญาเหรือนกับพิษุนีที่ท่านตัวกับแทกกับพื้นเนี่ยปวดแต่ท่านเห็นความปวดแต่ไม่ใช่ผู้ปวด อันนี้แล้วว่าทุกเป็นก็ไม่เป็นทุกแต่ทุกไม่เป็นก็ก็เป็นทุกนะทุกไม่เป็นก็คือจมกลายเป็นผู้ทุกนะเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีทุกประจําสังขารก็อย่ากลัวขอให้รู้จักทุกให้เป็นก็แล้วกันทุกให้เป็นก็ไม่เป็นทุกหรือว่าถ้าทุกให้เป็นนี่ก็สามารถจะพ้นทุกได้ ต้องรู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ใช้ทุกข์ให้เป็นนันนี้เป็นความฉลาดนะของความฉลาดที่พระเจ้าประทานมาให้คนจำนวนมากนี่หนีทุกข์แต่พระเจ้าบอกว่าอย่าหนีทุกข์นะให้เผชิญหน้ากับความทุกข์ให้รู้จักทุกข์ใช้ทุกข์ให้เป็นนะเราก็จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ได้เวลาแล้วพนะ่อแม่ออก็ได้เวลาจะลาศีน